ที่มันดูกว้างไกลจะต้องโชคดีแค่ไหนที่ฉันนั้นได้มาเจอกับเธอคนนี้ท่ามกลางคนมากมายจะมองออกไปที่ไหนก็ยังเห็นเพียงแค่เธอก็ฉันชอบทุกช่วงเวลาที่เราได้อยู่ใกล้กันมันด มดจนเกือบจะลืมหายใจและฉันชอบทุกวินาทีที่มีเธออยู่ไกล้กลมีเพียงแค่เราอยู่ข้างกันไปเธอทำ เ แ, แต่ในวันนั้นไม่เคยมองใครและก็คงไม่มีสิ่งใดทดแทนเธอได้ I promise to hold you close until I die Baby I'll never let you go Forever with you I know อย่าให้เป็นเพียงฝันฉันรอเธออยู่ I'm here for you Make it all come true ก็ฉันชอบทุกช่วงเวลาที่เราได้อยู่ใกล้กันมันดูเหมือนว่ามีเวทมนจนเกือบจะลุด ฉันชอบทุกวินาทีที่มี